สายกลางคือการที่เราไม่เข้าไปคล้องแวะไม่ยินดียินร้ายกับสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาไม่คลอเคลียอยู่กับอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินยินดีหรือจมติดอยู่ในอารมณ์ที่ชวนหดหู่เศร้าหมองการรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายไม่ฟูแฟบ ไปตามอารมณ์ที่มากระทบนี้แหละคือทางสายกลางที่ละเอียดลงไปในระดับจิตใจพระภัยสารวิสาโลอยากจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับอาจารย์ในเรื่องของทางสายกลางสักนิดหนึ่งนะคะแง่มุมที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้ อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องของการรักษาจิตให้อยู่ในทางสายกลางอย่างสม่าเสมอไม่กล้าบอกว่าอย่างมั่นคงนะคะเอาอย่างสม่าเสมอกันละกันค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเพื่อนของเราจะรู้สึกเหมือนที่ตัวดิฉันเองรู้สึกหรือเปล่าแต่นี้เนี่ยนำมาจากความรู้สึกตรงของตัวเองเลยที่หลายต่อหลายครั้งอาจารย์คะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สามารถ รักษาจิตใจของเราให้อยู่ตรงกลางแบบว่าไม่แกว่งไปทางสุขไม่แกว่งไปทางทุกข์ไม่ยินดียินร้ายมากนักทําไม่ได้ค่ะมีความสุขว่ารู้นะคะว่ามันต้องอย่างนี้ค่ะแต่พอถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วเรายังไม่สามารถรักษาจิตใจของเราไม่สามารถทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่เรียกได้ว่าทางสายกลางได้ยกตัวยอย่างเช่น ปลายปีที่แล้วที่ได้มีโอกาสไปทํากิจกรรมกับน้องๆในศูนย์ฝึกอบรมที่ราชบุรีเราเข้าไปทํากิจกรรมครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นแค่เพียงวันรุ่งขึ้นเองนะคะมันก็มีเหตุพลิกผันขึ้นอันนี้เพื่อนของเราที่ฟังรายการอาจจะไม่รู้ว่าเราเข้าไปทํากิจกรรมอะไรในศูนย์ฝึกขออนุญาตขยายความสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ถ้าจะพูดไปแล้วศูนย์ฝึกอบรมก็คือคุกเด็กนั่นเอง นะคะเพราะว่าเด็กที่จะอยู่ในกระบวนการสารเด็กเนี่ยจะต้องทําผิดเมื่ออายุยังไม่เกิน18ปีถ้าอายุเกิน18ปีไปแล้วถือว่าขึ้นสารผู้ใหญ่ละไม่เกี่ยวข้องกับสารเด็กละนะคะแล้วเขาก็มีกระบวนการที่รู้สึกว่าถ้าเด็กที่ทําผิดเนี่ยจะต้องส่งไปอยู่ศูนย์ฝึกอาชีพเพราะว่าไม่รู้จะเอาเด็กไ ป, ไปที่ไหนคะแล้วที่ศูนย์ฝึกเนี่ยชื่อคือศูนย์ฝึกอาชีพแต่ว่ากิจกรรมการฝึกอาชีพเนี่ยก็ยังเป็นไปได้น้อยแล้วก็ได้ผลน้อยทีเดียว แต่หน้าที่อย่างหนึ่งคือจะต้องไปอบรมเด็กๆตรงนั้นนี่ในการอบรมเนี่ยตัวเองก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆที่เขาต้องมาอยู่ที่คุกเด็กหรือศูนย์ฝึกเนี่ยนะเขามีปัญหาด้านจิตใจอะคะ่ะเขาไม่ได้มีปัญหาด้านไม่มีอาชีพถ้าจิตใจเขาดีเขาไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทํำร้ายใครเขาก็ไม่ต้องไปอยู่ใน น, นั้นนะคะอาจารย์ค่ะการฝึกอาชีพนี่ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุอยู่ที่ใจล่ ะ, ค, ะค่ะ ถึงแม้ว่าบางคนดูเหมือนจะไม่มีอาชีพตั้งไปฉก ช, ชิงวิ่งราวปล้นฆ่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆพื้นฐานมาจากใจเขาไม่ปกตินะคะแต่ทีนี้พอเราไปอบรมเขาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อโครงการไว้อย่างสวยหรูเลยค่ะว่าสารฝันสุวรรณใหม่ด้วยความที่ใจของเราเนี่ยอยากจะให้น้องๆเขาได้มีชีวิตใหม่นะคะชีวิตใหม่ที่ดีกว่าชีวิตที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นชีวิตที่ไม่มีทิศทางเอาซะเลยแล้วแต่ ที่ผ่านเข้ามาจะมาลากจูงไปเราไม่รู้หรอกว่าผลคือจะต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าเราทำโครงการสารฝันสุวรรณใหม่ไปปลูกฝังวิธีคิดในการใช้ชีวิตให้แง่คิดมุมมองดีๆให้เขาได้มีข้อมูลใหม่เพื่อเขาจะได้มีแนวทางชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมาน่าจะเป็นอะไรที่ดีครับซึ่งใครๆก็ว่าดีทั้งนั้นแหละคะ่ะแต่ใจเรากลับไม่ดีในครั้งแรกที่ไปจัดกิจกรรมก็พอวันรุ่งขึ้น สิ่งที่เราได้รับเป็นรางวัลของความทุ่มเทที่อยากจะทำดีๆให้กับน้องๆก็คือหลังจากที่เราไปทำกิจกรรมแค่เพียงวันเดียววันรุ่งขึ้นก็มีเหตุการ์ยกพวกตีกันในศูนย์ฝึกแล้วก็ยกพวกตีกันชนิดที่ว่ามโหฬารเลยค่ะขนาดที่ทางผู้ในการศูนย์ฝึกเนี่ยต้องตัดสินใจนำเด็กทั้งหมด600กว่าชีวิตไปฝากขังไว้ในเรือนจาใหญ่ที่ราชบุรีก็ไม่ไกลกันมากะนะคะแต่ก็คือเรียกว่าต้องปิดศูนย์ฝึก ทีแรกก็นึกว่าจะปิดแค่เดือนเดียวสุดท้ายก็ลากยาวไปเป็น2เดือนแล้วก็2เดือนกว่ากว่าจะเข้าสู่สภาพปกติได้ซึ่งก็สิ่งที่มาถึงจิตใจของตัวเองก็คือมีความสุขจมติดอยู่ในอารมณ์อย่างคําพูดของหลวงพี่ไพศาลที่นํามาเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะจมติดอยู่ในอารมณ์ที่ชวนหดหูเศร้าหมองหลายเดือนเลยมีความสุกว่าเราตั้งใจจะทําอะไรดีๆให้เขาแต่ดูซิว่าเขามมีความพร้อมที่จะรับอะไรดีๆจากเราเลย ดูซิเราสาิทำโครงการดีๆไปให้เขาเนาะแต่วันนุ่งขึ้นหลังจากการอบรมเขาก็ตีกันขนาดใหญ่ที่สุดเลยจริงๆก็ไม่ใช่เด็กกลุ่มที่เราไปอบรมหรอกนะคะที่ที่ตีกันหรือว่าเป็นหัวโจกแต่ว่าความรู้สึก ข, ของเรามันไม่ดีเองอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทําไปทําไมไม่มีประโยชน์ไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเล่นตามบทนะเล่นได้แต่ใจมันไม่ได้น้อมไปตามบทแล้วก็จิตใจเนี่ยมันก็จะ หดหูเศร้าหมองอยู่ลึกๆทำอะไรมันก็รู้สึกไม่ค่อยเบิกบานมีความสึกไม่อยากจะทำทำไปอย่างนั้นเองแทนที่จะทำเต็มที่หรือว่าเกินร้อยอย่างนิสัยตัวเองนะคะเป็นอยู่นานๆ า, น, น, า น, นานมากสารภาพบาปวันนี้เพราะว่ารู้สึกมันเพิ่งจะหายไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองจมติดอยู่ในความรู้สึกท้ อ, ทอถอ ย, ถอยหดหูเศร้าหมองอมไม่ทราบว่า ถ้าฉลาดกว่านี้นะคะควรจะทําใจยังไงดีพี่จะไม่ให้จมติดอยู่ในอารมณ์แบบนี้นะคะได้ยินเพื่อนๆบางคนเขาก็บอกว่าเวลาที่จิตใจรู้สึกไม่ค่อยดีก ร, กระเจิงหรือว่าเศร้าหมองเนี่ยก็จะเปลี่ยนอารมณ์ในการไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปเที่ยวไปอะไรซะมันจะได้เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ประเด็นของวันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อนของเรานะคะ แล้วเหตุการณ์นั้นทําให้เรารู้สึกว่าอารมณ์เราจมติดอยู่อยากจะเปลี่ยนอารมณ์ควรจะเปลี่ยนอารมณ์ยังไงดีคะถึงจะไม่ต้องจมแช่อยู่ 4, สี่สัหเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนความรู้สึกของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจคําว่าอารมณ์ก่อนอารมณ์เนี่ยมันอยู่ทั้งข้างนอกข้างในอารมณ์ข้างนอกก็คือสิ่งที่มากระทบตาคือรูปต่างๆ ิงที่มากระทบหูค nice ือเสียงเรียกว่าอารมณ์กลิ่นที่มากระทบจมูกเนี่ยคืออารมณ์รสที่มากระทบลิ้นแล้วก็ความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่อยู่ภายนอกมากระทบใจเราก็คืออารมณ์อารมณ์ภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าโลกโซโลลินกไก่โลกที่เราอยู่เนี่ยเาเรียกว่าโลกนั้นคำว่าอารมณ์กับโลกเนี่ย ม่เป็นความหมายเดียวกันเราจะรู้จักโลกได้นั้นต้องรู้จักอารมณ์ที่มากระทบน็่คือสิ่งภายนอกนะถ้าเราแบกโลกเท่ากับแบกอารมณ์เรายังหงุดหงิดยังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเท่ากับเราแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยอารมณ์ข้างในก็คือความพอใจความไม่พอใจอันนี้คือโลกภายใน เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยคืออารมณ์นะถ้าเราไปยึดติดยึดติดว่าไอ้สิ่งที่มากระทบทางภายนอกนั้นอาการที่เกิดขึ้นที่จิตใจเรานั้นเนี่ยเข้าไปยึดติดสิ่งนั้นเนี่ยเท่ากับเรายึดติดในโลกหรือแบกโลกเอาไว้เลยโง่เลยใช่ไหมย <c oughs> อย่าเรียกว่างโง่นะไม่ว่ารู้ไม่ทันก็ได้แต่มันรู้สึกปฏิเสธรู้แม่เตาทันเนีถ้าเราเป็นทุกข์แสดงว่าเราต้องแบกอะไรไว้อย่างหนึ่งการแบกคือการยึดมั่นถือมั่น ถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยหรือวางของหนักวางอารมณ์ได้แล้วก็เท่ากับเราวางโลกทั้งโลกได้ทันทีเลยเพราะนั้นสิ่งหเหล่านี้เรื่องอารมณ์เนี่ยเรื่องโลกเนี่ยเราช่วยไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ที่เราจะปล่อยวางมาได้นั้นก็คือเรื่องที่จิตใจที่จิตใจเนี่ยสำคัญมากเราไม่สามารถจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอารมณ์อะไรได้หรอกเปลี่ยนไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเรามีสติ รู้ทันสิ่งนั้นได้แล้วก็เท่ากับสิ่งนั้นไม่มีในจิตในใจเราถ้าเราขาดสติเนี่ยเราเข้าหลงไปเป็นกับโลกกับอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์ไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตเราจะไม่ปกติอย่างที่เขาบอกว่าทางสายกลางเนี่ยคำว่ากลางเนี่ยมัต้องเป็นปกติกลางระหว่างที่สูงกับต่าคือกลางเนี่ยไม่สูงไม่ต่ำกลางระหว่างซ้ายกับขวาซ้าย คือเคร่งเคลียดขวาคือเลื่อนลอยกลางคือไม่เคร่งเครียดไม่เลื่อนลอยก็เป็นกลางกลางคือความจิตจืดระหว่างความขมความเผ็ดความเปรี้ยวระหว่างอีกด้านก็คืออาจจะเป็นหวานเจื่อยไปเลยกลางคือจิดตืดเราเขียนว่าตรงกลางเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นปกติปกติปกติของอารมณ์ก็คือ ไม่ยินดีไม่ยินลายเป็นกลางกลางใช่ไหมอันนี้เราจะสมมุติตัวเราก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่เป็นปกติถ้าปกติได้ไหมล้วก็กลางแต่เรามักจะมองในแง่ของวัตถุว่าออกลางนี่มันต้องอยู่ในระหว่างทางเดินของเรานดื่มสุราหนึ่งขวดโอ้นี่มันตึงไปเอาสักครึ่งขวดโกรธมากเกินไปก็มันตึงไปโกรธน้อยน้อยอันนี้ไม่ใช่กลางนะอันนี้มันสุดตรงไปได้ด้านหนึ่งแนละ้วกลางเนี่ย ในทางธรรมะเขาหมายถึงจิตใจอารมณ์คือขนทางที่เราเดินไปจิตคือผู้เดินทางอารมณ์คือหนทางในโลกเนี่ยก็มีสองอย่างเนี่ยมีความยินดีมีความยินร้ายมีความพอใจกับไม่พอใจมีความสุขมีความทุกข์มีตลาดมีโง่อรมีดีมีร้ายอย่างนี้แหละอันนี้คือทางนะแต่จิตผู้ที่เดินเนี่ย ถ้าเราไปสุดโต่งกับความยินดีความพอใจแล้วก็ตกทางสายกลางถ้าเราไปสุดโต่งไปทางที่ยินดียินไล่ไม่พอใจเนี่ยมันก็สุดโต่งไปอีกทางนึงถ้าจิตเราเป็นปกติเป็นกลางกลางในระหว่างอารมณ์มีอารมณ์ดีมากระทบเออเราก็รู้ไว้ถ้าเรามีสติรู้ไว้เนี่ยเราก็ไม่ตกผลทางในทางที่ยินดีเวลาเจอความโกรธเจอความหงุดหงิดไม่พอใจมากระทบใจเราเนี่ย เราออรู้เท่าทันอ๋อนี่คือความไม่พอใจนะจิตแล้วก็จะเป็นกลางทันทีเลยเพราะนั้นถ้าอยู่ตรงกลางนี้ได้เนี่ยจิตมันจะเป็นปกติที่จะไม่ทุกเนี่ยนะมันจะเป็นปกติ <c oughs> แต่ว่าเราอย่าไปห้ามอารมณ์อารมณ์ห้ามไม่ได้หรอกเราจะไปจัดทางให้ได้อย่างใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราเดินทางไปเนี่ยเราเจอต้นไม้ขวางทางเราจะไปตัดต้นไม้หรือไปเลื่อนต้นไม้ออกข้างๆก็ไม่ได้ หน้าทิ้งเราคือรู้ทันแล้วก็หลบเลี่ยงไปซะรู้มั น, นก็รู้นะคะอาจารย์คะ่ะรู้ทุกครั้งที่รู้สึกทอ้อรู้สึกเหี่ยวหดหูแต่มันก็ไม่หายอะค่ะอาจารย์มันก็แวบมาอยู่เรื่อยนี่แหละไอ้รู้แล้วอยากให้หายเนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลางอ้าวรู้ถูกแล้วแต่ว่าไ อ, อา้อยากอยากให้มันหายไปใช่ไตกไปทางที่ยินร้ายแล้วไม่พอใจหรื่อรู้แล้วอยากให้มันเกิดขึ้นนานๆอยากให้ความสุขเกิดขึ้นนานๆ รู้แล้วว่าสุขนะตีหายเกิดขึ้นนานๆไอ้ความอยากเนี่ยทำาเราตกทางตกทางซ้ายแล้วตกทางขวาแล้วยิ่จะทํายังไงล่ะคะเแอลอ้วก็เหมือนจมแช่อยู่ในอารมณ์ไม่เลิกสักทีออพอรู้แล้วล<ะ>มันก็หายไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาอีกละนี่แหะเพราะเราในความหวังเราเนี่ยคืออยากให้มันหายอยากให้เป็นอย่างใจเราคืออยากให้ทางเข า, เ, ขาเนี่ยถูกใจเราคือไปแก้สิ่งภายนอกเพราะนั้นถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ย การเจริญสติเนี่ยหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นปกติมันจะไม่ขึ้นอยู่ขัดทางซ้ายทางขวามันจะเฉยเป็นปกติแต่รู้อยู่เข้าใจคาว่าน้ำน้าธรรมชาติของน้ำดิแทจริงนี้จะเป็นปกติจะไม่มีรสชาติจะไม่มีสีจะไม่มีกลิ่นแต่มีน้ำอยู่ถ้าเราสามารถรู้ที่เฉยเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดับไปเองมันอย่างกับ จิตที่เป็นปกติเนี่ยมันใบบัวใบบัวเนี่ยสามารถรับน้ําได้หลายนะแต่น้านําขมน้ําเปรี้ยวน้ําเผ็ดน้ําเค็มเสร็จแล้วน้ําก็ผ่านใบบัวไปเพร<อ>าะใบบัวไม่มีปฏิกิยายอะไรกับน้ำแบบนั้นแต่ถ้าเป็นกระดาษที่ชุ่มอะไรแล้วก็ใบบัวเป็นกระดาษที่ชุ่มอะไรแล้วก็เปลี่ยนสีน้ําจะเข้าไปแทรกซึมแล้วก็ทำให้กระดาษนังขาดได้การเจริญสติเขาถึงบอกว่าให้เริ่มต้นในการรู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้าย รูปแบบยุติธรรมรูปแบบสบายสบายแบบไม่หวังผลอะไรไอ้คำว่ารู้เฉยเฉยเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกาะไม่ได้เพราะอารมณ์นี่มันไม่เฉยถ้าอารมณ์เขาจะดับความพอใจหรือไม่พอใจเขาจะดับเขาก็ดับไปเองเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาไม่ดับแสดงว่าเราไม่เฉยแล้วเราต้องมีอะไรบังคับ <c oughs> เป็นเงื่อนไขยอยู่ข้างหลังที <c oughs> งอ่อยากให้มันหายอยากให้มันหายตรงนี้งหเราไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อหน้าที่ เราทำหน้าที่เพื่อให้เราดีทำดีไม่ใช่เพื่อความดีทำดีเพื่อให้เราดีต้องมีความสำเริญเยี่นยอต้องสำเร็จผลต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คือรู้แบบมีเงื่อนไขซ่อนอยู่ภายในลึกๆอันนี้ก็ไม่กลางนะก็ราะเรามีตัณหาฉาบทายแต่ถ้าเรารู้เฉยเนี่ยทุกอย่างจะเป็นปกติแต่รู้อยู่ขึ้นอยู่กับการที่เราเจรติตสติบ่อยบ่อยรู้บ่อยทำบ่อยจนจิตที่ชำนาญที่จะรู้เฉยแบบจิตจืด ถึงภาะวะหนึ่งเพราะที่จิตจืดอ่ะถ้าเข้าสู่เพราะที่จืดได้แล้วก็มันจะเป็นการปล่อยวางจะเป็นกลางในตัวเองเพราะฉะนั้นทางคืออารมณ์ที่มากระทบผู้เดินทางคือจิตจิตโดยปกติเขาเนี่ยเขาเฉย อ, อยู่แล้วเขาเป็นปกติเฉย อ, อยู่แล้วแต่ว่าเราขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้สึกตัวเนี่ยพอจิตเดินไ ป, ไปเชิญกับอารมณ์ปับ๊บโอ้เราก็เข้าไปเป็นอารมณ์เลย ไม่ได้รู้เข้าทันในอารมณ์แต่เข้าไปเป็นอารมณ์ถ้าเข้าไปเป็นอารมณ์เท่ากับตกทางสายกลาเข้าไปอารมณ์ดีแล้วก็ดีไปกับอารมณ์เนี่ยตกทางตายแล้วพออารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ไม่พอใจเข้าไปยึดติดมันก็ตกทางอีกด้านหนึ่งใช่ไหมจิตไม่เป็นกลางถ้ารู้เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นกลางโดยธรรมชาติอยู่แล้วสรุปว่าทางสายกลางเป็นเรื่องดีแน่นะคะอาจารย์ และความไม่ยินดียินร้ายเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกใช่ไหมคะเขาเป็นสิ่งที่จรมาชั่วคราวการฝึกนั้นไม่ใช่เป็นฝึกให้ได้อารมณ์ได้อย่างใจเราค่ะแต่ฝึกที่จะรับรู้แล้วก็ปล่อยไปรับรู้รับรู้แล้วก็รู้จักทิดปล่อยวางอย่างเช่นคนใกล้ตัวเราเนี่ยเราใช่คนใกล้ตัวเราเหมือนเราเนี่ยคิดอย่างเราทำอย่างเรามันไม่ได้บางทีคนใกล้ตัวเขาเนี่ยไม่ปกติเขาเป็นคนที่พูดมากชอบปุ้นวาย ชอบทําอย่างนั้นชอบตัวอย่างนี้ไม่ถูกใจเราทั้งนั้นเลยอันนั้นคือธรรมชาติของเขาถ้าใจเราเป็นปกติดีแล้วเนี่ยเราจะไม่มุนวายกับคนใกล้ตัวเลยโทษว่าคนใกล้ตัวทําให้เราต้องผิดปกติไม่ใช่ให้เรามีสติรู้ทันอ๋อรู้ทันการมีสติรู้เฉยเฉรู้เท่าทันในอารมณ์เนี่ยเท่ากับเป็นการรักษาใจเป็นปกติให้เรารู้เสียว่าสิ่งที่มากระทบเรา เ, เสียงรูป ก, กลินล่นรสหรือคนใกล้ตัวเราอารมณ์ต่างๆ นั่นคือสิ่งที่ไม่ปกติมากระทบตัวเรากระทบจิตกระทบใจเราซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเราขาดสติเนี่ยล้วก็ปล่อยให้สิ่งที่ผิดปกติเข้ามาย้อมใจเราให้ผิดปกติเหมือนใจเขาเพราื่นั้นเรามีสติรักษาจิตเราไว้รักษาจิตเราให้เป็นปกติอย่าปล่อยให้ความผิดปกติของอารมณ์หรือคนอื่นต้องมาทาลายความเป็นปกติของใจเราด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางไป อย่าไปให้ความสําคัญมั่นหมายถ้าไปให้ความสําคัญมั่นหมายกับอารมณ์ที่มากระทบเมื่อไหร่ล้วก็เราก็จะตกทางทันทีเลยสําคัญมั่นหมายในทางที่ชอบกับไม่ชอบก็สุดโต่งไปคนละที่คนละทางแต่ถ้าเร า, ราทูกข์ท้อทนอ๋อลูกเฉยจะแก้ไขปัญหาก็แก้ไขไปด้วยสติด้วยการรับผิดชอบตัว